ในอักคีสูตรนี้พระพุทธเจ้าทรงสอนเรื่องไฟในแง่คำแนะนำสั่งสอนสำหรับผู้ครองชีวิตมีเย้ามีเรือนอยู่ในค า, ารวาสวิสัยในกรณีอื่นอีกเมื่อตรัสถึงการบูชาไฟพระพุทธเจ้าตรัสสอนคติที่ควรยึดถือปฏิบัติสำหรับสังคมทั่วไปว่าถึงหากบุคคลผู้ใด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 หาพ้นไปได้ไหม